วันนี้เป็นวันพุทธที่29สมีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบหกเป็นวันพระวันธรรมสวนะวันฟังธรรมวันที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ศรัทธายาตโยม ได้ปล่อยวางภารกิจการงานต่างๆเพื่อที่จะได้มีเวลามาศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เปรียบเหมือนแสงสว่างนำทางให้ชีวิตไปสู่ที่ที่สุขที่จเจริญความสุขที่พวกเราปรารถนากันนี้ ที่มีอยู่ในโลกนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่ามีอยู่สองแบบด้วยกันแบบที่หนึ่งก็คือความสุขของผู้คองเรือนแบบที่สองก็คือความสุขของผู้ออกบวชของนักบวชเป็นความสุขคอนารูปแบบกัน เป็นความสุขที่มีความสุขมากน้อยต่างกันแต่สำหรับบุคคลทั่วไปส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ยังคลองเรือนอยู่จึงต้องหาความสุขแบบผู้คลองเรือนไปก่อนจนกว่าจะมีกำลังที่จะไปหาความสุข แบบนัก บ, บวชได้ดังนั้นในขณะที่เป็นผู้คองเรือนก็ควรที่จะเรียนรู้ว่าเหตุอันใดที่จะทำให้เกิดความสุขสำหรับผู้คองเรือนขึ้นมาความสุขของผู้คองเรือนนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่ามีเหตุอยู่สี่เหตุด้วยกัน ที่จะทำให้เกิดความสุขขึ้นมาเ<ล>หตุอันที่หนึ่งก็คือการได้ทรัพย์หรือการมีทรัพย์นั่นเองถ้าเป็นผู้ครองเรือนจําเป็นที่จะต้องมีทรัพย์ในการซื้อสิ่งต่างๆเพื่อ <ท Gang. S 2> มาให้ความสุขแก่ร่างกายและจิตใจการได้ทรัพย์ หรือการมีทรัพย์จึงเป็นเหตุอันหนึ่งถ้าต้องการที่จะมีความสุขแบบผู้ครองเรือนก็จำเป็นที่จะต้องมีทรัพย์ได้ทรัพย์มาความสุขเหตุของความสุขของผู้ครองเรือนข้อที่สองก็คือเมื่อได้ทรัพย์มาแล้ว ก็ต้องนําออกไปใช้<ม>เพราะถ้ามีทรัพย์ไว้แล้วไม่ได้ใช้<ม>ก็จะไม่ได้ความสุขเพิ่มขึ้นมามความสุขที่จะได้เพิ่มขึ้นมาจากการได้ทรัพย์มามการมีทรัพย์มามก็คือความสุขที่เกิดจากการได้ใช้ทรัพย์นั่นเอง<ม>ทรัพย์มีไว้สําหรับรับใช้เรา<ม>สําหรับ หาความสุขให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย<ม>์งั้นเมื่อมีทรัพย์แล้วก็ต้องรู้จักใช้ทรัพย์ให้เกิดความสุขขึ้นมามนี่คือเหตุข้อที่สองของความสุขของผู้กองเรือน<ม>เหตุข้อที่สามที่จะทำให้ผู้กองเรือนมีความสุขก็คือการไม่มีหนี้สิน<ม><ม>เพราะการมีหนี้สินนี้ เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับผู้ที่มีหนี้สินนั่นเองเพราะเมื่อมีหนี้มีสินก็จะต้องหามาชดใช้ถ้าไม่มีก็จะถูกเขาลงโทษได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์ก็อย่าไปมีหนี้มีสินแล้วจะไม่มีความทุกข์เมื่อไม่มีความทุกข์ ก็จะมีความสุขถึงแม้จะไม่มีอะไรไม่มีทรัพย์มากไม่มีอะไรมากอย่างน้อยก็ไม่ทุกข์ถ้าไม่มีหนี้มีศินนี่คือเหตุของความสุขของผู้คลองเรือนข้อที่สาก็คือไม่มีหนี้มีศินนั่นเองและเหตุของความสุขข้อที่สี่ของผู้คลองเรือนก็คือ การกระทาที่ไม่เกิดโทษแก่แกตนเองนั่นเองคือการกระทาที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมถ้ามีการกระทาผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมก็จะทำก็จาเป็นจะต้องถูกจับไปลงโทษไม่ช้าก็เร็วทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่ และหลังจากที่ตายไปแล้วเพราะมีทั้งกฎหมายของบ้านเมืองที่จะตามมาลงโทษและมีกฎแห่งกรรมที่จะตามมาลงโทษจิตใจของผู้กระทาบาปต่อไปนี่คือเหตุสี่ข้อของการมีความสุขของผู้คลองเรือน เหตุข้อที่หนึ่งการมีทรัพย์หรือการได้ทรัพย์นี้ก็มีทางมาอยู่สองทางด้วยกันทางที่หนึ่งก็คือการได้ทำบุญมาในอดีตชาติการได้ทำบุญในอดีตชาตินี้ก็คือได้สะสมบุญซึ่งจะมากลายเป็นทรัพย์ในภพต่อไปนั่นเอง บุญต่างๆที่เราทำกันไว้ในภพนี้ชาตินี้เวลาที่เราตายไปบุญนี้จะเกื้อกูลจิตใจของเราส่งให้ใจของเราได้ไปเกิดในสวรรค์แล้วหลังจากที่เราลงจากสวรรค์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็จะกลับมาเกิดมีฐานะดีมีทรัย์ รเราอยู่เช่นได้มาเกิดในครอบครัวที่มั่งคั่งที่มีทรัพย์มีสมบัติมากมายโดยที่ไม่ต้องไปหามาให้เหน็ดเหนื่อยนี่คือการได้ทรัพย์หรือการมีทรัพย์ที่เกิดจากการได้ทําบุญมาในอดีตแต่มันเป็นสิ่งที่มัน เป็นอดีแล้วเหตุถ้าเรามาเกิดแล้วเราไม่ได้มาเกิดร่ำรวย <c oughs> ก็แสดงว่าเราไม่ได้ทำบุญมาในอดี ต, ต <c oughs> เราจึงไม่ร่ำรวยแต่เราก็ยังมีโอกาสที่จะมีทรัพยาทรั์ได้ด้วยการมีความขยันหมั่นเพียร <c oughs> ในการทำมาหากินเลี้ยงปาก <c oughs> เลี้ยงท้อง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตคือด้วยการกระทาที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมนั่นเองถ้าเราทำอาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วรู้จักประหยัดอดออมใช้เท่าที่จำเป็นไม่ใช้แบบสืร่อลุยซุ้อไลไม่ใช้แบบฟุ่มเฟือย เราก็จะมีทรัพสะสมเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราก็จะเป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งได้ถึงแม้ว่าเราอาจจะมาเกิดในครอบครัวที่ยากจนก็ตามยกตัวอย่างพวกที่เป็นมหาเศรษฐีกันในปัจจุบันนี้ถ้าเราย้อนไปดูในอดีตของเขา ในประวัติของเขาบางคนก็เป็นคนที่อพยพมาจากประเทศจีนมามีเสือมีเสือใบหมอนใบเสือผืนหมอนใบเข้ามาตั้งลกลากแล้วก็มาทำมาหากินขยันทำมาหากินทำงานไม่มีวันหยุดปีหนึ่งอาจจะหยุดเพียงแค่ช่วงตรดจจีนเท่านั้นนอกจากนั้นแล้วก็มีแต่ทางานทุกวัน มีแต่หาเงินไม่ค่อยได้มีเวลาไปใช้เงินเท่าไหร่เขาก็เลยสามารถที่จะสะสมเงินทองที่เขาอามาได้แล้วก็ไปลงทุนขยายกิจการของเขาให้มีเพิ่มมากขึ้นตามลำดับจนเป็นบริษัทที่บริษัทมหาชนบริษัทที่ใหญ่โตเช่นธนาคารต่างๆ ธนาคารทั้งหมดก็เริ่มต้นจากการมีสาขาเดียวก่อนแล้วเมื่อได้ทำธุรกิจไปได้รับกำไรก็ขยายกิจการไปตามลำดับจนในที่สุดก็ได้กลายเป็นมหาเศรษฐีของประเทศไปอันนี้ก็เกิดจากการที่มีความขยันหมั่นเพียรในการทำมหากิน และในการศึกษาดูช่องทางว่าทำอะไรถึงจะทำแล้วขายดิบขายดีเป็นต้น <c oughs> แล้วก็ต้องทำด้วยความซื่อสัสตย์สุจริตคือไม่ได้ทำอาชีพที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมเพราะถ้าทำผิดกฎหมายหรือทำผิดศีลธรรมไม่ช้าก็เร็วก็อาจจะต้องล่มจมลงไปได้ หรื อ, อถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจมาจับมายึดทรัพย์ไปได้ซึ่งเราก็คงจะได้ยินข่าวข้าวกันอยู่เรื่อยๆว่ามีผู้ที่ทำธุรกิจสีเทาสีดำผิดกฎหมายผิดศีลธรรมเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจตามจับได้ก็ยึดทรัพย์ต่างๆที่หามาได้ไปหมด แล้วก็ยังต้องถูกไปจับเข้าคุกเข้าตารางนี่คือวิธีการหาทรัพย์ที่เกิดโทษอย่ากระทำแบบนี้อย่าหาทรัพย์ด้วยการทำผิดกฎหมายเพราะว่าจะได้มาแล้วไม่คุ้มเสียใหม่ๆก็อาจจะไม่มีใครรู้แต่ทำไปเรื่อยๆไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีคนรู้แล้วก็ ต่อไปเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คงจะรู้เมื่อรู้แล้วเขาก็จะต้องตามมาจับไปลงโทษต่อไปบางคนก็ต้องหนีสุกซนหนีไปอยู่ต่างประเทศ <c oughs> เพื่อไม่ให้ถูกจับไม่ให้ถูกจับไปลงโทษ <c oughs> ก็ต้องอยู่แบบคนในประเทศอยู่ห่างไกลจากบ้านจากญาติพี่น้องจากเพื่อนฝูง โทษที่เกิดจากทำผิดกฎหมายนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งยังมีโทษอีกส่วนหนึ่งที่จะตามมาคือโทษที่ทำผิดกฎแห่งกรรมคือถ้าทำบาปช่อโกงลักทรัพย์โกหกหลอกลวงพูดอันนี้ก็จะทำให้จิตใจหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วแทนที่จะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ทันที หรือไปสวรรค์<ม>ก็จะต้องไปอบายแทน<ม>ต้องไปเกิดในอบาย<ม>อาจจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเ ป, เป็นเป็นเปรตหรือไปตกนรกเป็นต้น<ม>ขึ้นอยู่กับความมากน้อยของบาป ท, ที่ทำไว้ความรุนแรงของบาป ท, ที่ทำไว้<ม>ก็จะทำให้ส่งจิตใจที่จะเป็นดวงวิญญาณ น, นั้นไป เกิดในอบายนี่แหละคือการหาทรัพย์โดยวิธีไม่ชอบอย่างนั้นถ้าอยากจะมีทรัพย์อยากจะมีความสุขถ้าเราไม่ได้เกิดมาร่ำรวยเราก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรในการที่จะทามาหากินหาเงินหาทองแล้วก็ต้องรู้จักประหยัด เก็บไว้อดออมไม่ใช้แบบฟุ่มเฟือยอันนี้ก็จะนำมาสู่ความสุขข้อที่สองของผู้คลองเรือนคือการได้ใช้ทรัพย์การได้ใช้ทรัพย์นี้ก็มีทั้งความสุขก็ได้และมีทั้งความทุกข์ก็ได้ขึ้นอยู่ว่ารู้จักใช้ทรัพย์เป็นหรือไม่ วิธีที่จะใช้ทรัพย์แล้วทำให้เกิดความสุขขึ้นมานียก็คือเอาไปใช้กับสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเช่นร่างกายนี้จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายก็จำเป็นจะต้องมีปัจจัยสี่พร้อมบริบูรณ์คือต้องมีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรค การใช้เงินเพื่อการเลี้ยงดูร่างกายนี้แบบพอดีคือไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปไม่ฟุ่มเฟือยไม่หรูหรา<ม>ก็จะเป็นประโยชน์เป็นสุขแต่แต่ร่างกายและเป็นประโยชน์กับจิตใจของผู้ที่ใช้ทรัพย์นั้นแต่ถ้าใช้ทรัพย์ แบบที่ไม่ไม่ประหยัดไม่มีเหตุไม่มีผลใช้ไปตามความโลภความอยาก<ม>ใช้แบบฟุ่มเฟือยใช้แบบหรูหราใช้แบบของแพงๆ<ม>ที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้<ม>แต่อยากจะใช้<ม><ม>ก็จะต้องใช้ซับมาก การใช้ทรัพย์แบบนี้ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมาต่อไปได้เพราะว่าจะใช้ทรัพย์มากแล้วรายได้ที่หามาหรือทรัพย์ที่มีอยู่นี่ถ้าไม่ระมัดระวังก็อาจจะไม่พอใช้ขึ้นมาก็ได้เมื่อไม่พอใช้ขึ้นมาก็จะเกิดความเดือดร้อนเกิดความทุกข์ตามมา ดังนั้นการจะใช้ทรัพย์ให้เกิดความสุขนี้ต้องรู้จักใช้ใช้ในสิ่งที่จำเป็นในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย<ม>แล้วก็ต้องรู้จักประมาณรู้จักความพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปมไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นของที่ราคาแพงๆหรูหราเพราะว่าปัจจัยสี่นี้ ไม่ว่าจะเป็นของแพงหรือของถูกก็สามารถทำหน้าที่ได้เช่นเดียวกัน<ม>เช่นอาหารเราจะรับประทานอาหารมือละร้อยหรือมือละห้าร้อยหรือมือละพันมันก็ได้ประโยชน์เท่ากันคือได้อาหารมามาบําบรุงร่างกายเพื่อมาดับความหิวของร่างกายและเพื่อมารักษาให้ร่างกายนั้น ได้อยู่ต่อไปอย่างไม่เดือดร้อนนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เงินมากเกินไปสําหรับการที่จะมาเลี้ยงดูร่างกายเพราะว่ามันจะสูญเสียเงินทองไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นอาหารมื้อละร้อยก็อิ่มเหมือนกันทําหน้าที่เลี้ยงดูร่างกายได้เหมือนกันมื้อละพันก็อิ่มเหมือนกัน แต่เงินที่เสียไปนี้ต่างกันเสียไปต้องสิบเท่าร้อยหนึ่งกับพันหนึ่งแต่ประโยชน์ก็ได้เท่ากันดับความหิ่ดับความหิวได้เหมือนกันทําให้เกิดความอิ่มขึ้นมาได้เท่ากันแล้วก็สามารถยังชีพของร่างกายให้อยู่ต่อไปโดยไม่เจ็บไข้ได้ป่วยได้เหมือนกัน นี่คือวิธีการใช้ทรัพย์ที่จะให้เกิดความสุขควรจะใช้แบบพอประมาณแบบประหยัดพอต่อความต้องการของร่างกายน้อยเกินไปก็ประหยัดมากเกินไปก็ไม่ดีเพราะอาจจะทำให้ร่างกายขาดแคลนอาหารที่จำเป็นต่อการเลี้งดูก็อาจจะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาก็ได้ น้อยเกินไปก็ไม่ดีมากเกินไปก็ไม่ดีเอาแบบพอดีต่อความต้องการของร่างกายอันนี้เป็นการใช้ทรัพย์ที่จะทำให้เกิดมีความสุขเพราะทรัพย์จะได้ไม่หมดไปอย่างง่ายดายและรวดเร็วนั่นเองสามารถยืดเวลาของทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่นี้ให้มีอยู่กับเราไปได้นานๆแล้วจะทำให้เราไม่ ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับการไม่มีเงินมีทองอันนี้วิธีหนึ่งวิธีการใช้ทรัพย์ที่จะทําให้เกิดความสุขส่วนวิธีใช้ทรัพย์ที่จะเกิดโทษและเกิดความทุกข์นี้เราก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงก็คือการใช้ทรัพย์ไปกับสิ่งที่ไม่จําเป็นต่อการดํารงชีพเช่นใช้ทรัพย์ไปกับอบายามุขต่างๆ ใช้ทรัพย์ไปกับการดื่มสุรายาเมาใช้ทรัพย์ไปกับการเล่นการพนันใช้ทรัพย์ไปกับการเที่ยวเตร<ม>การใช้ทรัพย์แบบนี้จะทำให้ทรัพย์นี้หมดไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว<ม>และอาจจะทำให้ต้องกลายเป็นคนยากจนขึ้นมาได้<ม>ซึ่งเราก็คงเคยได้ยินข่าว คนบางคนถูกลอตตอรี่รางวัลที่หนึ่ง mm. ก็เอาเงินที่ได้มานี้ mm. ไปซื้อข้าวซื้อของไปใช้อะไรตามความชอบใจของตน mm. เพียงระยะเวลาไม่กี่เดือนหรือกี่ปีรางวัลทรัพที่ได้จากรางวัล น, นี้ก็หมดไปกลับมากลายกลับมากลายเป็นคนยากจนต่อไปนั่นก็เพราะว่าไม่รู้จักวิธีใช้ทรัพ์ให้เกิดความสุขกับตนไปนานานั่นเอง ดังนั้นพยายามเด็กเลีเ่ยงการใช้ทรัพย์ไปกับอบายามุขต่างๆเช่นการเล่นการพนันนี้จะมีโอกาสมากที่จะทำให้เราสูญเสียเวลาได้เราก็อยากจะได้เพิ่มขึ้นเราก็จะเล่นต่อเวลาเสียเราก็อยากจะได้คืนเราก็จะเล่นต่อเมื่อเล่นไปเรื่อยๆรับประกันได้ว่าจะเสียมากกว่าได้ แล้ในที่สุดก็จะไม่มีทรัพย์ให้เล่นต่อก็อาจจะต้องไปทำต้องไปกู้หนี้ยืมสินซึ่งเป็นความเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจเพิ่มขึ้นมาอีกชั้นหนะึ่งอันนี้ก็คือที่มาของข้อที่สามคือความสุขที่เกิดจากการไม่มีหนี้สินนั่นเองการที่เราไปมีหนี้สินก็เพราะว่า เราใช้ทรัพย์มากกว่าที่ที่เรามีอยู่รายรายได้น้อยกว่ารายจ่าย<ม>เมื่อรายจ่ายมากกว่ารายได้มันก็ไม่พอ<ม>ก็ต้องไปหาไปกู้หนี้ยืมสินมามเพื่อที่จะได้มาโปมาชดใช้รายจ่ายที่มากกว่ารายรับนั่นเองแต่เมื่อมีหนี้แล้วมันก็ต้องมีภาระที่จะต้องชดใช้หนี้ ก็จะทำให้ต้องต้องห้ามจิตห้ามใจเวลาอยากจะซื้ออะไรอยากจะใช้อะไรบางอย่างก็อาจจะซื้อไม่ได้ใช้ไม่ได้ความสุขที่เกิดจากการใช้ทรัพย์ก็จะหายไปนั้นต้องรู้จักการใช้ทรัพย์ของเราอย่าใช้มากกว่าทรัพย์ที่เรามีหรื อ, อไรายได้ที่เรามี รายจ่ายนี้ไม่ควรที่จะมากกว่ารายรับต้องให้มันน้อยกว่ารายรับเพื่อที่เราจะได้ไม่เดือดร้อนและเรามีทรัพย์สัมปชรองไว้ด้วยเพราะในวันข้างหน้าเราก็ไม่รู้ว่ารายได้ของเรานี้จะเข้ามาอยู่เรื่อยๆหรือไม่วันดีคืนดีก็อาจจะเกิดเหตุการณ์อย่างโรคระบาดขึ้นมา พอเกิดโรกระบาดก็มีเศรษฐกิจก็หยุดชะ ง, งักทันทีรายได้ที่เคยได้มาก็หายไปหมดก็ต้องอาศัยทรัพย์ที่มีอยู่นี้ใช้ไปก่อนถ้าเกิดไม่มีทรัพย์มีแต่นี่ก็จะไม่รู้ว่าจะไปหาทรัพย์มาจากที่ไหนมาใช้ตอนนั้นก็จะเกิดความเดือดร้อนเป็นอย่างมากแต่ถ้ารู้จักใช้ทรัพย์แบบประหยัดมัธยัส มีอดออมมีการอดออมมีการเก็บสะสมไว้เผื่อวันข้างหน้าด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าวันข้างหน้าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรความสามารถในการหาไรายได้ของเรานี้จะลดน้อยถอยลงไปหรือไม่เพราะชีวิตของเราไม่มีอะไรแน่นอนร่างกายของเราวันนี้อาจจะแข็งแรงแต่วันข้างหน้าอาจจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาก็ได้ อาจจะพี่กลนพี่การขึ้นมาก็ได้ไม่มีใครรู้อย่างนั้นเราต้องคิดเผื่อเรื่องราวเหล่านี้ไว้ด้วยต้องมีการเตรียมเตรียมทางออกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เราจะทำยังไงเราก็ต้องมีเงินสำ ร, รองไว้ <S 1> <1> <S เงินรายได้ที่เราหามาได้นี้เราต้องรู้จักแบ่งรู้จักใช้ไม่ใช่ได้มาเท่าไหร่ก็ใช้ ใช้ไปหมดหรือใช้มากกว่าที่เราหามาได้ถ้าเราใช้มากกว่าที่เราหามาได้เราก็ต้องไปเป็นหนี้สินถ้าเราใช้ได้เท่าไหร่ก็ใช้หมดเราไม่มีหนี้สินแต่เราจะเดือดร้อนในเวลาที่เราเกิดเป็นอะไรขึ้นมามเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเกิดตกงานขึ้นมาหรือพิกลพิการขึ้นมารายได้ไม่เข้ามามีแต่รายจ่าย แต่ถ้าเราหาทรัพย์มาได้แล้วเราก็แบ่งไว้เป็นส่วนๆ ส, วนส่วนหนึ่งก็ใช้กับเรื่องที่จำเป็นเช่นการเลี้ยงดูร่างกายด้วยปัจจัยสี่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราก็อาจจะเอาเก็บไว้สำรองไว้วันข้างหน้าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็อาจจะคิดถึงพบหน้าชาติหน้าต่อไปถ้าเราเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเชื่อว่า การทำบุญในชาตินี้จะทำให้เราอยู่สุขสบายขึ้นในภพต่อไปในชาติต่อไปได้เราก็ควรจะแบ่งเงินไว้อีกส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็เอาไว้ใช้กับสิ่งที่จำเป็นอีกส่วนหนึ่งก็เก็บสำรองไว้เผื่อวันข้างหน้าถ้าเกิดมีปัญหาอะไรจะได้ไม่เดือดร้อนจะได้มีเงินทองสำรอง ไว้ดูแลเราแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็แบ่งเอาไปทําบุญทําบุญทําบุญนี้ก็จะทําให้เราได้มีความสุขจากการใช้บุญใช้เงินทองการทําบุญนี่แหละเป็นวิธีใช้เงินที่ให้เกิดความสุขที่ดีที่สุดเพราะไม่มีโทษตามมาทําแล้วจะทําให้ใจเรามีความสุขมีความอิ่มเออกใจ แล้วตายไปความสุขใจอืมอบใจที่ได้จากการทาบุญนี้แหละจะเป็นตัวที่ทำให้ใจเราไปสวรรค์กันไปเป็นเทพกันแล้วหลังจากที่เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ในคราวหน้าเราก็จะมีทรัพย์รอเราอยู่เราก็จะได้ไปเกิดในครอบครัวที่มีฐานะดีมีทรัพย์มีสมบัติ ที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปดิ้นนนไปหามามอันนี้คือสิ่งที่เราต้องคิดกันเกี่ยวกับกเรื่องของการใช้ทรัพย์ที่เรามีอยู่ใช้ให้เกิดประโยชน์ใช้ให้เกิดสุขอย่าไปใช้ให้เกิดโทษ<ม>ใช้ให้เกิดสุข<ม>ก็คือใช้กับสิ่งที่จำเป็น<ม>ต่อการเลี้ยงดูร่างกายแล้วก็เก็บไว้ส่วนหนึ่งไว้สำหรับวันข้างหน้าแล้วก็แบ่งอีกส่วนหนึ่งเอาไว้ไปทาบุญ ทำบุญเพื่ออนาคตพบต่อไปชาติต่อไปถ้าเรายังไม่ไปถึงพระนิพพานเรายังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันต่อไปอีกเรื่อยๆ mm hmm. นั้นการได้ทำบุญเนี่ยจะบุญนี้จะเป็นที่พึ่งของเราได้ mm hmm. ยังที่ในมงคลระสุดพระเจ้าก็ทรงตรัสไว้ว่าการได้ทำบุญในอดีตนี่เป็นมงคลอย่างยิ่ง mm hmm. เพราะบุญที่เราทำในอดีตนี้ จะมาเกื้อกูลมาดูแลมาช่วยเหลือเราในภพนี้ชาตินี้แล้ภพต่อๆไปยึง ต, ต้องให้รู้จักใช้เงินที่จะทำให้เกิดความสุขขึ้นมาด้วยการแบ่งเงินไว้ประมาณสามส่วนใหญ่ๆ ใ, ใช้กับสิ่งที่จำเป็นต่อาการดำรงชีพใช้กับการทำบุญแล้วก็เก็บเอาไว้ฝากไว้ ในในธนาคารหรือในที่ไหนที่ปลอดภัยเพื่อในวันข้างหน้าเกิดมีเหตุการณ์ที่จำเป็นจะต้องอาศัยเงินนี้จะได้มีเงินนี้มาช่วยสนับสนุ น, น mm hmm. แล้วเราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่ไม่วิตกไม่กังวลไม่เดือดร้อน mm hmm. แต่ต้องอย่าไปมีหนี้เนี่ยนะนะข้อที่สามนี่ย ความสุขที่เกิดจากของผู้คองเรือนก็คือการไม่มีหนี้หนี้นี้เกิดจากการที่เราใช้เงินมากเกินกว่ารายจ่ายมากกว่ารายรับที่เรามีอยู่หรือเอาไปใช้กับอบายามุกต่างๆเน่อการพ น, นันเที่ยวเตร่แล้วก็เดิมสุรายามาของเหล่านี้มันจะเป็นตัวที่จะมาดูดซัท์ที่เราไม่อยู่ไปได้อย่างรวดเร็ว งั้ต้องพยายามดีกเรื่องอบายมุข แ, และการกระทำบาปการกระทําที่ผิดกฎหมายเพราะทำผิดกฎหมายแล้วนี่มันจะมีโทษตามมาอนี่คือความสุขของผู้ของเรือนมีอยู่สี่ข้อด้วยกันคือการมีทรัพย์หรือการได้ทรัพย์มา สองการใช้ทรัพย์สามการไม่มีหนี้และสี่การกา ร, การกระทำที่ไม่เกิดโทษคือการไม่ไม่กระทำผิดกฎหมายของบ้านเมืองไม่กระทำผิดกฎแห่งกรรมคือการกระทำบาปต่างๆเพราะกฎทั้งกฎนี้เป็นกฎที่ศักดิ์สิทธิ์ ทำผิดกฎหมายก็จต้องถูกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจับไปลงโทษทำผิดกฎแห่งกรรมก็จะต้องถูกกฎแห่งกรรมจับไปลงโทษตายไปแทนที่จะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์หรือไปสวรรค์ทันทีก็อาจจะต้องไปอบายแทนอาจจะต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือไปนรก นี่คือเรื่องของความสุขของผู้คองเรือนซึ่งเป็นความสุขที่ค่อนข้างที่จะไม่มั่นคงและยุ่งยากคือต้องต้องมีสิ่งต่างๆมาให้ความสุขก็คือต้องมีทรัพย์กันและการมีทรัพย์ก็เป็นของที่ไม่ไม่แน่นอนการจะหาทรัพย์แต่ละครั้งก็เป็นของที่ยากเย็นไม่ใช่เป็นของที่จะหาทรัพย์มาได้ง่ายๆ นั้นถึงถึงแม้จะมีความสุขจากการได้ทรัพย์แต่กว่าจะได้มากก็ต้องผ่านความทุกข์ยากลำบากในการหาทรัพย์กันพอสมควรถ้าอยากจะได้ทรัพย์ที่ดีได้ความสุขที่ดีกว่าและไม่ยุ่งยากมากก็ลองหาทรัพย์ของผู้ของของนักบวชอยู่ลองหาความสุขของนักบวชกันอยู่เช่นในวันพระ วันที่เรามีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆถ้าวันพระไม่ว่างเพราะเราต้องทำงานในสมัยนี้เราก็เปลี่ยนเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ที่เรามีเวลาว่างเราลองไปบวชเป็นเป็นนักบวชชั่วคราวดูไปอยู่วัดไปถือศีลแปดแล้วก็ไปหาความสุขของนักบวชกันความสุขของนักบวชนี้ เกิดจากการทำใจให้สงบถ้าสามารถทำใจให้สงบแล้วจะพบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขของผู้ครองเรือนความสุขที่ได้จากการมีทรัพย์ใช้ทรัพย์เป็นต้นอันนี้เป็นอีกความสุขอีกรูปแบบหนึง่งซึ่งการหาความสุขก็ต่างกันต่างจากการหาความสุขแบบของผู้ <c oughs> ของผู้ครองเรือน ความสุขของผู้ที่ออกบวชนี้เกิดจากการมีกายวาจาที่สงบคือสีลแล้วก็มีใจที่สงบคือสมาธิและปัญญาอันนี้เป็นสิ่งที่จะสร้างความสุขให้กับใจที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขของผู้คองเลนถ้าได้รับถ้าได้สัมผัสกับความสงบ หรือความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วนี mm ้ hmm. จะรู้เลยว่าเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ของผู้คลองต่อให้ถูกกัตเรลี่รางวัลที่หนึ่ง mm hmm. ก็จะสู้กับเวลาที่จิตสงบไม่ได้ mm hmm. ความสุขที่ได้จากความสงบนี้มันมันมันยากที่จะอธิบายได้ mm hmm. แต่มันรู้ว่า ม, มันเป็นความสุขที่ไม่เคยพบมาก่อน การที่ได้พบกับความสงบทางด้านจิตใจแล้วนี่จะจะเบื่อกับความสุขแบบต่างๆของผู้คลองเลือนไปต่อให้ได้ทรัพย์มามากน้อยเท่าไหร่เวลาที่ได้ทรัพย์มาถูกตะลี่มามันได้ทั้งสุขแล้วได้ทั้งทุกข์คือได้ทุกขลาบทั้งเรียกว่าได้ทุกขลาบเพราะพอมีทรัพย์แล้วมันก็ต้องมีความกังวลขึ้นมาแนละ้วมีความห่วงใยมีความหวง มีความรักทรัพย์ของตนมีความระแวดระวังละหวาดระแวงกลัวว่าทรัพย์ที่ได้มานั้นจะหายไปหรือจะสูญเสียไปอย่างง่ายดายและรวดเร็อันนี้ความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบนี้จะไม่มีความทุกข์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจะเป็นความสุขร้อยเปอร์เซนต์ความสุขที่ไม่มีความทุกข์คราบเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย อันนี้แหละเป็นสิ่งที่นักบวชทั้งหลายที่เขาออกบวชกันเขาแสวงหากันก็คือความสุขที่เกิดจากการทําใจให้สงบเนื่องเพราะว่าก่อนที่เขาจะออกบวชนี้เขาก็อาจจะเคยมาสัมผัสมาทดลองตอนที่เป็นผู้ครองเรือนก็จะทําตามที่พระเจ้าทรงสอนเช่นในวันพระก็ให้ ยุดหยุดการหาความสุขแบบผู้คองเรือนไว้ชั่วคราวแล้วหันมาหาความสุขของนักบวชกัน<ม>ไปอยู่วัดกันไปถือศีลถือศีลแปกัน<ม>ถือศีลแปแล้วก็ไปฝึกสติเพื่อให้เกิดสมาธิแล้วก็ไปฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาขึ้นมาเพราะการที่จะทำให้มีความสุข ที่เกิดจากความสงบนี้มันมีการปฏิบัติหลายขั้นตอนเนสองขั้นตอนใหญ่ๆคือขั้นสมาธิและขั้นปัญญาขั้นสมาธินี้จะได้ความสงบแบบชั่วคราวได้ความสงบได้ความสุขในขณะที่ใจเข้าไปในสมาธิเข้าไปในฌานแต่พอออกจากสมาธิมาออกจากฌานมา ความสุขที่ได้จากความสงบก็จะค่อยๆจางหายไปเพราะใจเริ่มคิดถึงเรื่องนั้นเรื่อนี้เริ่มเกิดความโลภความโกรธความหลงตามมามันก็จะมาลบล้างความสุขที่ได้จากการทำสมาธิถ้าอยากจะรักษาความสุขที่ได้จากการทำสมาธิหลังจากที่ออกมาจากสมาธิแล้ว ก็ต้องใช้ปัญญาคอยกำจัดความโลภความโกรธความหลงที่จะมาทำลายความสงบทำลายความสุขที่ได้จากความสงบถ้ามีปัญญาปัญญาก็จะสอนให้ใจหยุดความโลภความโกรธความหลงได้ถ้าหยุดความโลภความโกรธความหลงได้ความสงบที่ได้จากสมาธิก็จะคงอยู่ต่อไปนี่คือการหาความสุขแบบผู้ แบบนักบวชต้องหาความสุขจากการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาศีลก็ต้องเป็นศีลที่สูงกว่าศีลห้าก็คือศีลแปดขึ้นไปถือศีลแปดก็ได้ถ้าไปบวชถ้าเป็นพระท่านก็ให้ถือศีลสรอยี่บเจ็ถ้าบวชเป็นสา ม, มเณรก็ให้ถือศีลสิแต่ถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกา เป็นผู้คลองเรือนที่ไปอยู่วัดชั่วคราวไปปฏิบัติแบบชั่วคราวก่อนคือไปปฏิบัติในวันที่มีเวลาว่างเช่นวันหยุดทางานวันไหนมีวันหยุดก็ไปอยู่วัดแล้วก็ไปถือศีลแปดเพราะการถือศีลแต่นี้จะเป็นการายุติหรือห้ามไม่ให้ไปหาความสุขแบบผู้คองเรือน คือไม่หายไม่ให้ไปหาความสุขจากการเสบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะชนิดต่างๆเพราะเป็นความสุขที่ที่ต่ำกว่าที่หยาบ ก, กว่าความสุขที่จะไดจากการทำใจให้สงบถ้ายังไม่เลิกการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ก็จะไม่มีเวลาที่จะไปหาความสุขจากการเจริญสติทำใจให้สงบได้นั่นเอง ดังนั้นผู้ที่จะไปหาความสงบสุขทางใจจึงจำเป็นที่จะต้องถือศีลแปดกันเรียกว่าเป็นการบวชเนคขมะศีลแปดนี้ก็คือการบวชเนคขมะคำว่าเนคขมะก็แปลว่าการยุติการแสวงหาความสุขจากกรรมมาคุณทั้งห้าคือรูปเสียงกลิ่นลดโผฏฐะนั่นเอง เพื่อที่จะได้เอาเวลาที่ไปใช้กับการเสพรูปเสียงกยลิ่นรสผลิพภัณฑนี้เอามาใช้กับการเจริญสตินั่งสมาธิและการฟังเทศฟังธรรมนั่นเองดังนั้นผู้ที่จะไปหาความสุขแบบนักบวชก็ต้องอยู่แบบนักบวชต้องถือศีลบวชศีลแปดนี้ถือว่าเป็นศีลของนักบวชถ้าเป็นคารวะอบาโศกอบาสิกา ก็ถือศีลแปถ้าเป็นสัมมาเอยก็ถือศีลสิบถ้าเป็นพระภิกษุ ก, ก็ถือศีลสองรอยบเจ็อันนี้เป็นข้อแรกที่จะต้องระทำถ้าต้องการที่จะได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบของจิตใจจาเป็นที่จะต้องยุติไม่ไปหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสเช่นศีลข้อสามในศีลห้าคือ การเมสุวิจฉาจารานี้คือการไม่ประพฤติผิดประเพณีก็คือการไม่ไปร่วมหลับนอนกับคนที่ไม่ใช่เป็นสามีภรรยาแต่ยังร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาได้สิลข้อสนี้ในศิ่งห้าก็จะต้องเปลี่ยนเป็นสิลข้อสที่เรียกว่าอร拉มจารยาคือการประพฤติการประพฤติพรหมจารย์การประพฤติพรหมจา ร, ร, รจย์ก็คือประพฤติแบบพรหม พรมก็คือผู้ที่ไม่เสกกรมแล้วพวกที่เป็นพรมนี้เขาไม่เสบรูปเสียงกลิ่นแล้วเขาไม่มีคู่ครองก็ <S <S งไม่มีสามีไม่มีภรรยาเขาจะไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับใคร yeah. uh huh. นี่คือศินข้อสามในศินแปดสิสข้อหนึ่งสองสามนี่เหมือนกันอศลข้อหนึ่งสองสี่ห้านี่เหมือนกันคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ uh huh. ไม่ โหกหไม่พูดปดไม่ดื่มของบุญเมาอันนี้เหมือนกันสินข้อ8ศดสินสินห้าิแเหมือนกันต่างกันที่สินข้อสามสินแปดนี้่อยต้องเป็นอ布หรรมจริยาเวรเมเีคือการไม่ประพฤติการการประพฤติพรหมจรรย์การไม่ร่วมหลับนอนกับใครการไม่หาความสุขจากการร่วมเพศกันอันนี้เป็นสินที่จะต้องรักษา ถ้าอยากจะไปหาความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบเพราะถ้าไปร่วมหลับนอนกันมันก็จะไม่มีเวลาไปปฏิบัตินั่นเองมีเวลาก็น้อยมากไม่พอเพียงต่อการที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมาได้การที่จะทำให้เกิดผลนี้จะต้องมีเวลาปฏิบัติตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับเลยใหย้ให้มีเวลาปฏิบัติการกับการทำใจให้สงบ ดางนั้นเลยต้องถือถือศินข้อศินแกันศิลข้อสก็เป็นอบ布ร拉รมจริยาถือสินพรหมจารีแล้วก็เพิ่มศินข้อหข้อ6กก็คือการไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารไม่เสพลูกเสียงกลิ่นลดผลชั่วะของอาหารกินพอประมาณกินพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกินเพื่ออยู่ไม่อยู่เพื่อกิน จึงจะไม่จึงไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วร่างกายนี้ได้รับประทานอาหารมื้อสองมื้อก็อยู่ได้ไม่จำเป็นจะต้องรับประทานทั้งวันทั้งคืนตลอดเวลาอันนั้นเป็นการรับประทานแบบเสพรูปสียงกินรสรสเสกกรมยังติดในรสชาติของอาหารติดกลิ่นของอาหารในรูปของอาหารอยู่ให้รับประทานอาหารเหมือนกับรับประทานยาเมื่อถึงเวลาก็กินเข้าไป ไม่ได้หาความสุขจากการกินยากินยาเพื่อรักษาโาครคภัยแค้เจ็บรับประทานอาหารเพื่อรักับความหิวของร่างกายง mm hmm. นั้นก็ต้องถือศินข้อหนี้ก็คือไม่รับประทานอาหาร mm hmm. หลังจากเที่ยงวันไปแล้วไม่ให้มากรับประทานมากเกินไปเพราะรับประทานอาหารมากก็จะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติเพื่อทำใจให้สงบได้ เพราะถ้ารับประทานอาหารมากมันก็จะเกิดความง่วงเหงาขึ้นมาเกิดความอยากจะนอน mm hmm. เวลากินอิ่มๆนี่หนังท้องจะตึงหนังตาจะหย่อน mm hmm. ไปนั่งสมาธิก็จะสับประงกง mm hmm. เดินจงครมก็ไม่มีเรี่ยวมีแรงที่อยากจะเดิน่ mm hmm. างนั้นจึงต้องงดการรับประทานอาหารให้น้อยลงไปเอาเท่าที่จำเป็น บางแห่งบางท่านก็อาจจะเอามือเดียวก็มีพระที่บวชเป็นพระป่าเป็นพระปฏิบัตินี้ท่านจะฉันมือเดียวกันเพราะว่ามันจะทำให้ไม่มีอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมจะไม่ทำให้ง่วงนอนมากอาจจะง่วงในช่วงแรกๆหลังจากที่ฉันนิ่มๆแต่หลังจากนั้นไปชั่วโมงสองชั่วโมงอาการง่วงก็จะหายไป แล้วก็จะมีเวลาสามารถปฏิบัติทำได้ทั้งวันทั้งคืนต่อไปได้อันนี้คือประโยชน์ของการถือศีลข้อหกคือการไม่รับประทานอาหารมากจนเกินไปอย่ป้องกันนิวรนคือการง่วงเหงาเหงานอนเวลาที่เกิดจากการนั่งสมาธิญาโยงคงค ง, คงเคยพบกับปัญหานี้เวลานั่งสมาธิทีไรนี่มันรู้สึกจะเหงาขึ้นมาทันทีเลย แต่เวลานั่งดูหนังฟังเพลงนี่มันไม่รู้สึกมีอาการห่าเลยมันจะรู้สึกตื่นตื่นตาตื่นใจเพราะใจชอบรูปชอบสีชอบเสียงนั่นเองพอได้สัมผัสกับสีกับเสียงขึ้นมาก็มีชีวิตชีวาขึ้นมาแต่พอจะมาให้ทําใจให้สงบให้สัมผัสกับพุทโธพุทโธนี้ใจก็จะเริ่มรู้สึกง่วงขึ้นมาทันทีอันนี้แต่ถ้าไม่กินอาหารมากเกินไป ท, ท้องไม่อิ่มเกินไปอาการง่วงจะไม่เกิดขึ้นยิ่งถ้าเกิดอดอาหารได้นี่ยิ่งจะรู้สึกไม่ง่วงเลยเพราะเวลาอดอาหารนี่มันจะรู้สึกหิวความรู้สึกหิวนี่มันจะทำให้ไม่มีความรู้สึกง่วงนอนอันนี้ก็เป็นประโยชน์สำหรับผู้ต้องการปฏิบัติแก้ปัญหารเรื่องของความง่วงนอนก็ต้องลดการรับประทานอาหารให้น้อยลงไปรับประทานเท่าที่จาเป็น ซึ่งบางครั้งบางคราวถ้าเราต้องการจะได้ผลจริงๆนี้บางทีไม่ต้องรับประทานอาหารทุกวันก็ได้รับประทานอาหารครั้งหนึ่งแล้วก็อดไปได้ทีสามวันห้าวันก็ได้เพราะร่างกายนี้มีอาหารสะสมไว้มากบางคนนี้มีน้ําหนักเกินคำว่าน้ําหนักเกินก็คือมีพลังงานสะสมไว้ในร่างกายมีไขมันเยอะมีอาหารสะสมไว้ยเยอะ ถึงแม้จะอดอาหารสามวันห้าวันเจ็ดวันก็จะไม่สะเทือน mm hmm. กับจะเป็นประโยชน์สิก็จะทำให้ร่างกายลดน้ำหนักลงได้ mm hmm. แลวจะทำให้โครคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากการมีน้ำหนักเกินนี้ลดน้อยลงไปได้ด้วยเช่นโรคเบาหวาน mm hmm. โรคไขมัน mm hmm. โรคความดันเป็นต้นมั น, เ ป, นเป็นผลที่เกิดจากการรับประทาอาหารมากเกินไป สำหรับผู้ที่ปฏิบัติแล้วรู้จักอดอาหารหรือถือศีลแปดกันนี้ส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยมีเรื่องเหล่านี้ตามมาแล้วก็ไม่มีปัญหาเวลาที่จะนั่งสมาธิก็จะไม่รู้สึกร่วงเหงาเหงานอนนี่คือทําไมเราจึงต้องถือศีลข้อหนี้คือการไม่รับประทานอาหารมากจนเกินไปอย่างน้อยก็ไม่เกินเที่ยงวันไปแล้วหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็ไม่รับประทาน แต่ถ้ายังถ้ายังรู้สึกง่วงนอนอยู่ยังไม่พอก็อาจจะเอามื้อเดียวก็พอเป็นรับประทานมื้อเช้ามื้อเดียวให้มันเสร็จเป็นเป็นเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยจะได้ไม่ต้องมากังวลกับการมาคอยรับประทานอาหารมื้อที่สองต่อไปอย่างภาพปฏิบัตินี้ส่วนใหญ่ท่านจะฉันตอนเช้ากันหลังจากกลับมาจากบินทบาทท่านก็ฉันกันเลยฉันเสร็จก็ล้างบาตเก็บบาทแล้วท่านก็จะได้มีเวลาว่างไปปฏิบททัติธรรม ท่านก็จะเข้าทางจงกรมก่อนเพราะเวลาฉันอิ่มใหม่ๆนี้ท้องมันจะท้องมันจะตึงนแล้วมันจะจะเกิดความรู้สึกง่วงนอนได้ถ้านั่งสมาธิก็อาจจะหลับได้ mm. อย่างนั้นเวลาที่ฉันเสร็จใหม่ๆนี้ท่านจะไม่ใช้การนั่งสมาธิท่านจะใช้การเดินสมาธิหรือเดินจงกรมใช้การเดินแทนการนั่งเพราะเมื่อมีการเดินนี้มันต้องมีการเคลื่อนไหว เมื่อมีการเคลื่อนไหวมันก็จะทำให้รู้สึกห่วงได้ยากกว่าแล้วก็ต้องมีสติคอยกํากับการเดินด้วยไม่ใช่เดินแบบใจลอยเดินแล้วก็ต้องมีอะไรกํากับใจเช่นมีพุทธโธพุทธโธกำจักกำหนดควบคุมไว้หรือใช้การเฝ้าดูการก้าวเท้าก็ได้การเดินจงกรมนี้สามารถเดินไปแล้วก็ใช้คำอะไรกรพร็พุทธโธพุทโธเพื่อดึงใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ หรือถ้าอยากจะใช้การดูเท้าก็ได้ดูก้าดูว่าเวลาที่เราก้าวเท้าซ้ายแล้วก็ว่าซ้ายก้าวเท้าขวาก็ว่าขวาซ้ายขวาซ้ายขวาไปอย่างนี้ก็ได้บางแห่งก็สอนให้ละเอียดกว่านั้นให้ยกหนอก้าวหนอวางหนออันนี้ก็ได้แต่มันไม่จาเป็นต้องต้องละเอียดขนาดนั้นเพียงแต่ขอให้เรารู้ว่าเรากำลังก้าวเท้าซ้ายเท้าหรือเท้าขวาก็พอ เพื่อที่จะได้ไม่ให้เราไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นเองนี่คือสำหรับการเวลาที่รับประทานอาหารเสร็จใหม่ๆแล้วเราไม่ต้องการให้เสียเวลากับการปฏิบัติเราก็ต้องเดินจงกรมอย่าไปนั่งสมาธิเพราะนั่งสมาธิในช่วงที่เสร็จจากการรับประทานอาหารนี้มันจะง่วงมันจะหลับแล้วมันจะไม่เกิดประโยชน์ หรือถ้าเราคิดว่าเราต้องการพักผ่อนร่างกายเราดับนอนไม่พอก็อาจจะใช้เวลานั้นพักสักชั่วโมงหนึ่งก็ได้หลังจากรับประทานอาหารเสร็จก็พักผ่อนก่อนถ้าเดินจงกรมก็ไม่ได้นั่งสมาธิก็จะหลับก็นอนพักสักพักหนึ่งก่อนก็ได้แล้วพอตื่นขึ้นมาแล้วก็เริ่มค่อยมาปฏิบัติกันต่อไปสิ่งแรกที่ต้องปฏิบัติก็คือการจเจริญสติ เพราะว่าถ้าไม่มีสตินี้ใจจะสงบไม่ได้จำเป็นจะต้องเจริญสติตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยเช่นตั้งแต่เช้าวันนี้พอเราตื่นขึ้นมาสมมุติว่าวันนี้เราตั้งใจจะไปปฏิบัติธรรมเราก็เริ่มต้นตั้งแต่อยู่ที่บ้านก่อนก็ได้พอตื่นขึ้นมานี่เราก็ต้องตั้งสติพุโทโธพุโทโธเลยอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ไม่จําเป็นถ้าจําเป็นจะต้องคิดก็หยุดพุดโทโธไว้ชั่วคราว หรือให้เราเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายก็ได้เช่นพอเราดินตาขึ้นมาเราก็ดูว่าตอนนี้ร่างกายอยู่อยู่ในท่าไหนายอยู่ในท่านอนพอเราขยับลุกขึ้นมานั่งเราก็ต้องรู้แล้วว่าเรากำลังนั่งร่างกายกำลันงนั่งพอยืนก็ต้องรู้ว่ากำลังยืนพอเดินก็ต้องรู้ว่ากำลังเดินให้เฝ้าดูร่างกายในทุกปีริยบทอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องอื่นในขณะที่ร่างกายกาลังทาอะไรอยู่ ให้เฝ้าดูทุกิริยาบทของการเคลื่อนไหวของการกระทำของร่างกายอันนี้เป็นวิธีบรรลุบายของการศึกสติเพื่อคอยควบคุมความคิดเพราะการที่จะทำใจให้สงบได้นี้ต้องหยุดความคิดให้ได้ใจจะนิ่งใจจะสงบนี้ต้องไม่มีความคิดถ้ามีความคิดแล้วมันก็จะไม่นิ่งไม่สงบอย่างก่อนที่เราจะมานั่งสมาธินี้เราต้องพยายามควบคุมความคิดให้ คิดให้น้อยที่สุดให้ได้ในระดับหนึ่งถ้าไม่เช่นนั้นเวลามานั่งสมาธินี้ใจจะฟุง้งใจจะคิดเรื่องนูน้นคิดเรื่องนี้นั่งไปแล้วก็ไม่ได้ผลอะไรเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่เตรียมตัวมาก่อนไม่เตรียมใจมาก่อนนั่นเองอยู่ดีๆจะมาหวังมามาเริ่มต้นตอนที่เรานั่งสมาธินี้มันก็จะไม่เกิดผลเกิดประโยชน์ เพร๋ยวนั่งไปสักระยะหนึ่งแล้วร่างกายก็จะเกิดอาการเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ขึ้นมาก็จะทําให้ไม่ไมีไม่อยากจะนั่งต่อไปการนั่งสมาธิก็ไม่เป็นผลสําเร็จเพราะว่าไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนการที่จะทําใจให้สงบได้ต้องเตรียมใจไว้ก่อนต้องฝึกต้องคอยควบคุมใจไม่ให้คิดมากเกิเกนไปให้คิดเท่าที่จําเป็น ถ้าไม่มีเรื่องจําเป็นที่จะต้องคิดนี้ไม่ให้คิดโดยเฉพาะเวลาที่เราไปปฏิบัติกันจริงๆนี้ไม่ค่อยมีเรื่องต้องคิดเท่าไหร่ไม่มีงานให้ทำไม่มีธุระกับคนนั้นคนนี้มีแต่การคอยดูแลร่างกายของเราท่านเองในขณะที่เราดูแลร่างกายไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปลงควันหรือรับประทานอาหารเราก็สามารถเจริญสติควบคู่ไปกันได้ เราไม่จาเป็นจะต้องใช้เรื่องราวเหล่านี้ไม่ต้องใช้ความคิ ด, ค, ดคิดก็คิดกนิดเดียวคิดว่าต้องทำอะไรต่อไปต้องอาบน้ำต้องล้างหน้าต้องแปรงฟันในขณะที่ล้างหน้าแปรงฟันก็อยู่กับการล้างหน้าแปรงฟันไปแต่งเนื้อแต่งตัวก็อยู่กับการแต่งเนื้อแต่งตัวไปไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้คือการเตรียมตัวมานั่งสมาธิถ้าไม่เตรียมตัวไว้ก่อนเวลามานั่งสมาธิใจมันจะ คิดพฝุ่ง้างคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้ น, น, นคิดถึงเรื่อง น, นี้นั่งไปเท่าไหร่เขาไม่ไม่นิ่งไม่สงบแล้วนั่งไปสักระยะหนึ่งแล้วก็จะเกิดอาการรู้สึกเจ็บขึ้นมาปวดตรงนั้นปวดตรงนี้เมื่อยขึ้นมาก็จะทนนั่งต่อไปไม่ได้ก็ต้องลุกผลก็เลยไม่เกิดขึ้นนี่คือเป็นเหตุส่วนใหญ่ที่ทำไมผู้นั่งสมาธิกันแล้วไม่ได้ผลกันก็เพราะว่าไม่เตรียมตัวเตรียมใจ มาก่อนนั่นเองไม่ไม่ไม่คอยควบคุมความคิดไว้ก่อนให้คิดให้น้อยที่สุดไม่ให้คิดเลยก็ได้ยิ่งดีก็ต้องเจริญสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยเพราะถ้าเราไม่เอาตั้งแต่เริ่มต้นนี้มันก็จะลืมจะเผลอแล้วก็จะปล่อยให้คิดไปตามนิสัยเดิมนิสัยเราเดิมนี้เราชอบทำอะไรไปแล้วก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ควบคู่ไปด้วยอาบน้ำก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ล้างหน้าแปรงฟันก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ ไม่ค่อยได้อยู่กั บ, บางานที่เรากําลังทําอยู่ตลอดเวลาอยู่แค่แป๊บเดียวนั่นเองอยู่แค่แป๊บเดียวเพราะพราะเริ่มอาบน้ําก็เริ่มไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วพอพอแต่งเนื้อแต่งตัวเริ่มแต่งเนื้ อ, ตอแต่งตัวปั๊บก็ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้แล้วมันไม่ได้อยู่กับเรื่องที่เราทําอยู่ตลอดเวลาใจของเราก็เลยคิดอยู่ตลอดเวลาแล้วพอเวลาจะมานั่งสมาธิเพื่อทําให้ใจเราหยุดคิดมันก็ทําไม่ได้เพราะว่ามันคิดอยู่ เมือนกับรถยนต์เนี่ยเวลาที่เราต้องการให้มันหยุดเช่นให้มันหยุดที่สี่แยกไฟแดงนี้เราก็ต้องแตะเบรกก่อนที่เราจะมาถึงสี่แยกไฟแดงถ้าเราไม่แตะเบรกไว้ไปแตะเบรกตอนที่ถึงสี่แยกมันไม่หยุดตรงสี่แยกหรอกเพราะมันหยุดไม่ได้มันต้องใช้เวลากความเร็วของรถนี้มันต้องใช้เวลาใช้ระยะทางดังนั้ความคิดของเราก็เหมือนกันมันต้องใช้เวลาหยุดมัน ให้มันลดน้อยลงให้มันชะลอความเร็วลงเหมือนกับรถยนต์เราเลยต้องแตะเบรกก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิกันต้องเจริญสติสติก็คือเบรกของใจนี่ถ้าเราคอยแตะเบรกอยู่เรื่อยๆพอเวลาเรามานั่งสมาธิมันก็จะทำให้ใจเราสงบได้อย่างง่ายดายบางทีห้านาทีสิบนาทีใจก็เข้าสู่ความสงบได้ น, น, นี่คืออุปาสรรคของผู้ปฏิบัติ สองข้อใหญ่ๆก็คือความง่วงนอนความง่วงนอนเพราะรับประทานอาหารมากเกินไปต้องลดการรับประทานอาหารลงอีกข้อหนึ่งที่ทำให้ใจไม่สงบก็คือการไม่ฝึกสติมาก่อนการไม่เตรียมตัวเตรียมใจมาก่อนนั่นเองไม่คอยลดความคิดคอยหยุดความคิดไว้ก่อนมามาทำตอนที่เราเริ่มนั่งบางคนแย่กว่า น, นั้นก็คือพอนั่งแล้วสติก็ไม่มีนั่งเฉยๆไปอย่างนั้นนั่งเฉยๆไม่มีอะไรมาควบคุมความคิด ปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยไปแล้วก็เลยแล้วก็เลยไปหลงกับความคิดว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาถ้านั่งจริงๆนั่งสมาธินี้จริงๆนี้ไม่ต้องการให้มีอะไรปรากฏขึ้นมาในขณะที่เรานั่งถ้ามีแสงมีเสียงมีสีมีเรื่องอะไรปรากฏขึ้นมานี้ไม่ใช่เป็นผลของการนั่งเป็นไม่ใช่เป็นผลที่เราต้องการเป็นผลที่เกิดจากการที่เราเผลอสติมากกว่า แเวลาเราไม่มีสติควบคุมใจใจมันก็จะผลิตคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ปรุงแต่งเรื่องสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้เราเห็นแล้วถ้าเราไม่เคยศึกษามาล่วงหน้าก่อนเราก็อาจจะไปหลงตับสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาก็ได้ว่าเป็นนิมิตบ้างเป็นนูน่นเป็นนี่บ้างขึ้นมาอันนี้ไม่ได้เป็นผลที่เราต้องการจากการนั่งสมาธิผลที่เราต้องการจากการนั่งสมาธิก็คือความสงบจิต ถ้าสงบจิตต้องว่าไม่มีอะไรปรากฏขึ้นมาถ้ายังมีอะไรปรากฏขึ้นมาในจิตแสดงว่าจิตยังไม่ยังไม่ยังไม่สงบต้องควบคุมต่อไปถ้าใช้พุทธโธก็ต้องพุทธโธต่อไปถ้าดูลมหายใจเข้าออกก็ต้องดูลมหายใจต่อไปอย่าหยุด mm hmm. แล้วเกิดมีอะไรปรากฏขึ้นมาจะเป็นแสงเป็นสีเป็นภาพหรือเป็นอะไรก็ตามอย่าไปสนใจเพราะถ้าไปสนใจเราก็จะเสียสมาธิ เราจะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปคือความว่างความสงบความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งบวงอยู่ที่การที่เรามีสติคอยควบคุมใจตลอดเวลาโดยเฉพาะเวลาที่นั่งสมาธิถ้าเราใช้พุทโธก็อย่าไปหยุดพุทโธไปเรื่อ ย, อยมีอะไรปรากฏขึ้นมาในขณะที่พุทโธก็อย่าไปสนใจพุทโธไปเรื่อยๆจนกว่าจิตมันจะเด้ง มือนกับตกลุมตกบอ่อแล้วก็นิ่งไปตอนนั้นพุทโทก็หายไปหยุดไปแต่สติมีอยู่ตลอดเวลามีความรู้สึกตัวตลอดเวลามีความรู้สึกมหัศจรรย์ใจที่เห็นจิตที่ที่เคยที่ฟุ้งซ่านนั้นกลายเป็นจิตที่นิ่งสงบไปแล้วก็เกิดความสุขที่ไม่เคยสัมผัสมา ก, ก่อนถ้าถึงจุดนั้นแล้วก็ไม่ต้องใช้สติวควบคุมใจต่อไปเพราะตอนนั้นใจมันเข้าสู่ความสงบด้วยสติแล้ว แต่ก็มีสติคอยคอยเฝ้าดูอยู่เฉยๆแต่ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้พุโทโธและต้องการดูลมหายใจแล้วเมื่อจิตมันนิ่งจิตสงบแล้วก็ก็นั่งอยู่ดูมันไปอย่าเพิ่งไปทําอะไรยังไม่ใช่เวลาของการไปฝึกปัญญาการฝึกปัญญานี้ต้องอีกอีกช่วงหนึ่งไม่ใช่ช่วงนี้ช่วงนี้ทําสมาธินี้ต้องการให้จิตนิ่งพอมันนิ่งแล้วต้องรักษาความนิ่งให้มันนิ่งไปนานๆอย่าปล่อย ถ้ามันจะเริ่มคิดก็หยุดมันถ้าหยุดมันได้ก็หยุดมันต่อไปให้มันนิ่งไปเรื่อยๆนานที่สุดเท่าที่จะทําทได้จนกว่าเราสู้กำลังของความที่อยากคิดไม่ได้แล้วก็เริ่มคิดตอนนั้นเราก็จะถอนออกมาจากสมาธิพอถอนออกจากสมาธิแล้วถ้าเราอยากจะไปคิดทางปัญญาต่อไปก็คิดได้แต่ถ้าเรายังไม่ชํานาญในเรื่องของการฝึกสติ เพื่อควบคุมความคิดหยุดความคิดก็อย่าเพิ่งไปอย่าไงคิดทางปัญญาเพราะคิดทางปัญญามันอาจจะทำให้ใจฟุ้งซ่านได้เหมือนกันฉะนั้นเบื้องตอน้นเวลาออกจากสมาธิอย่าเพิ่งไปทางปัญยามาฝึกสติใหม่มาทำสติซ้าๆอยู่เรื่อยๆบ่อยๆคอยควบคุมความคิดให้คิดน้อยๆ ต่อไปตลอดวันทั้งวันทั้งคืนนี้เราจะไม่ค่อยคิดมากคิดเท่าที่จำเป็นและเวลาเราเข้าสมาธิเราเข้าได้อย่างง่ายดายรวดเร็ว<ม>ให้เราทําสมาธิให้ชํานาญก่อนแล้วเราค่อยไปทางปัญญาต่อไป<ม>ปัญญาจะเป็นทาหน้าที่คอยกำจัดกิเลสที่จะมาคอยทําลายความสงบที่เราได้จากสมาธิแต่เบื้องตอ้นนี้เราสามารถรักษาความสงบได้หลังจากที่ออกจากสมาธิ ด้วยการเจริญปัญญาต่อไป ด, ด้วยการเจริญสติพุทโธพุทโธลึกเข้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปอย่างไม่ต้องใช้ปัญญาถ้าเรายังไม่ชํานาญในด้านสมาธิถ้าเรายังไม่สามารถเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาอย่าพิ่งไปทางปัญญาไม่ต้องรีบร้อนได้ขั้นสติขั้นสมาธินี้ก็เหลือกินนะเป็นเศรษฐีเป็นเป็นเศรษฐีแล้วเพียงแต่ยังไม่เป็นเศรษฐีที่ถาวรท่านเอง ขอให้เรารักษาสถานภาพของสมาธิให้ได้ก่อนสามารถควบคุมใจให้สงบด้วยสติให้ได้ตลอดเวลาก่อนแล้วเราค่อยไปทางปัญญาต่อไปนี่คือความสุขที่เราจะได้รับจากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นความสุขของนักบวชซึ่งเป็นความสุขที่มั่นคงกว่าและง่ายดายกว่าไม่ยุ่งยากเพราะไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับ เงินทองไม่ต้องไปหาเงินหาทองไม่ต้องไปทําอะไรให้เหนื่อยเพียงแต่คอยควบคุมใจเราให้นิ่งให้สงบเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าท่านยังไม่เคยสัมผัสก็ลองมาสัมผัสดูวันที่มีเวลาว่างจากภาลกิจการงานลองหาเวลาไปอยู่วัดที่สงบที่มีการปฏิบททัติธรรมกันแล้วลองดูซึ่งว่าความสุขที่ได้จากความสงบนั้นเป็นยังไงถ้าได้สัมผัสแล้วก็อาจจะมีความ ยินดีและอาจจะอยากจะปฏิบัติมากขึ้นและต่อไปก็อาจจะกลายเป็นนักบวช ต, ต่อไปก็ได้นี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านเกี่ยวกับความสุขที่มีอยู่ในโลกนี้สองแบบคือความสุขของผู้ครองเรือนและความสุขของนักบวชก็ขอให้ท่านนำมาไปพินิพิจารณาเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาขออนุโมทนาให้พร ยะาวาเรวาฮาปูราตาลิกปุเร็ติสาคขังเอวเมวะอิโตทินางเปตาหนังอุปกปติอิชิตังปัิตังตุหังคิปเมวะสมิชฌตุสาเพปุเร็ตุสังกปา จันโทปนะวะสยธานะนิโชติมะวะสุยธาสะพิทิโยวิวัชฉันตุสะพารโควินาสสตุมาเตผวะตวันตาายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนศีริสานิจังวุฒาปะจายีโน ช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครอยากจะถามอะไรก็เป็นช่วงที่ถามได้สะดวกที่สุดก็ช่วงนี้เพราะหลังจากเลอกแล้วจะไม่สะดวกต้องขออภัยถ้ามาถามตอนภายหลังจะไม่ได้ตอบ ถ้าอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยจะถามเองก็ได้เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ถ้ามีมือถือก็ส่งข้อความเข้ามาทางเพจทาง YouTube ก็ได้ตอนนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้ผู้ ติดตามทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติไ i ฟ e 478 youtube พระสุชาติ l i ฟ e 312 youtube อกเตอร n วีแ80วิทยุออนไลน์5คลับ House 12ผู้รับฟังด้านหน้ากุฏิ175คนรวมทั้งหมด 1,062 ครับ <Okay. c oughs> ถ้ามีคําถามก็เชิญถามได้เลย คำถามจากทางเฟซบุ๊กคุณจตุพลทําทานอย่างไรให้ไปนิพพานครับออทําทานอย่างเดียวไปนิพพานไม่ได้ต้องทําทานแล้วก็รักษาศีลแล้วก็ภาวนาถึงจะไปนิพพานได้คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสองค์ออกนาม ผมไม่ได้ทำงานแต่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านรักษาศีลไม่ยุ่งกับใครเวลามีธุระจำเป็นต้องออกไปข้างนอกเช่นซื้อของจะสำรวมตาและไม่สนใจผู้คนนึกแต่พุทโธครับเพราะกลัวว่าจะเจอสิ่งกระทบแล้วเก็บออกมาเป็นอารมณ์กอดก่อกวนในเวลาที่ทำสมาธิคำถามครับเวลาเดินผ่านหน้าร้านแล้วพนักงานต้อนรับทักทาย เราควรหยุดบริกรรมแล้วมองเขาทักเขาตอบไหมครับเพราะที่ทำอยู่ก็เดินผ่านไปเลยครับก่อโดยมรารยาทก็เราต้องมีความเมตตาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพบปะขับใครล้วก็ควรที่จะให้ความเมตตาทักทายกันถามสารทุกข์สุขดีกันแต่ไม่ต้องพูดให้มันมากเกินไปเท่าทเกินความจำเป็นทาพูดไปเพื่อไม่ให้เสียมรารยาทเพื่อให้เขาจะได้ไม่รู้สึกว่า เราจองห้องหรือว่าเราไม่เป็นมิตรกับเขามีคําถามจากผู้ฝากถามครับช่วงนี้เวลาเจอกระทบแล้วได้เรียนรู้อะไรขี้เกียจเล่าให้เพื่อนๆฟังถ้าเป็นก่อนหน้านี้มีอะไรเข้ามากระทบก็อยากจะเล่าอยากจะถ่ายทอดแต่พักนี้รู้สึกเหมือนหมดความตื่นเต้นที่จะเล่าคิดแค่ว่ารู้แล้วพิจารณาแล้ว ได้เรียนรู้แล้วก็เก็บไว้ที่ตัวเองดีที่สุดแล้วก็อยู่กับสติไปครับไม่ค่อยสนใจไปคิดไปปรุงแต่งให้เหนื่อยให้วุ่นวายเหมือนแต่ก่อนที่เป็นแบบนี้ผมถูกกิเลสหลอกหรือผิดปกติไหมครับไม่หรอกนี่เป็นผลที่เกิดจากการที่เรามีสติมากพอเรามีสติมากใจเราจะสงบมากความคิดปรุงแต่งความอยากไรมันจะเบาบางลงไป มหเมันยังปกติแสดงว่าเรามาถูกทางเราเก็บอะไรไว้ในใจเราดีกว่าถ้าไม่มีคำจำเป็นที่จะต้องพูดไม่ต้องบอกใครก็ไม่อย่าไปพูดนอกจากถ้าจำเป็นแล้วเขาถามถ้าพูดได้ควรพูดก็พูดไปถ้าไม่ควรพูดก็ไม่ต้องพูดก็ได้ยิ่งพูดยิ่งขาดทุนพูดง่ายๆงั้นอย่าพูดดีกว่าอย่เข้าเนื้อเข้าตัวมากขึ้นไม่มีอะไรแล้วเหรอนี้ มีใครอยากจะถามอะไรไหรือไม่เรื่องเรื่องของการปฏิบัติเมื่อมีสติมากขึ้นใจจะคิดน้อยลงลเขาคิดน้อยลงความอยากที่จะอยากจะพูดอยากจะทำอะไรมันก็น้อยลงไปไม่ถือว่าเป็นผิดปกติถือว่าเป็นของที่ดีเพราะว่าการพูดการกระทำของเราส่วนใหญ่มักจะ พาให้เราไปเจอเรื่องเจอเราวต่างๆเจอปัญหาต่างๆถ้าเราไม่พูดเราไม่ทำอะไรมันก็จะไม่มีปัญหาตามมาแต่ถ้าถึงเวลาจำเป็นจะต้องพูดต้องทำอะไรก็ต้องทำถึงแม้ไม่อยากจะพูดไม่อยากจะทำเมื่อเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องทำเราก็ต้องทำเมื่อมีหน้าที่ต้องพูดก็ต้องพูดแต่ถ้าไม่มีเหตุผลไม่มีความจำเป็นก็อยู่ไปเฉยๆดีที่สุด มีคำถามจากทางเฟ e บุ o กครับคุณทาทาทาบุญอย่างไรให้เจ้ากรรมนายเวรได้รับครับก็เจ้ากรรมนายเวรเราต้องรู้ตัวเขาเสียเราถึงจะทากับเขาได้เช่นถ้าเป็นคนเรารู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเ้ามามีเรื่องมีราวกับเราเราก็ไปเคลียร์กับเขาถ้ามีอะไรกันก็ลองให้อภัยกันไป ถ้ามีคดีความอะไรฟ้องร้องกันก็ถอนถอนฟ้องไปเลิกคดีกันไปหรือถ้าเขาเดือดร้อนเขาต้องการความช่วยเหลือก็ช่วยเหลือเข้าไปครับคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่ครับที่ว่าเขาพุดโทแล้วก็ คนที่ร้านทักแล้วเขาไม่ทักตอบครับเขาก็เลยถามว่าถ้าเป็นเพศตรงกันข้ามก็ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันใช่ไหมครับไม่มีข้อยกเว้ น, วนใช่ไหมครับเว้นสัพเพสัตตาแม้แต่สุนัข ก, ก็ต้องเมตตาถ้าสุนัขมันวิ่งเข้ามาหาเราเกระเดข้าแล้วก็ลูกหัวมันถ้าหน่อยอะไรพนองนะั้นเพื่อสแสดงความเป็นมิตรกันวดแผเมตตาท่านก็บอกรับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ไม่ ว, ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นเดรัจฉานเป็นหญิงเป็นชายเป็นเทวดาหรือเป็นอะไรก็ตามถ้าเราพบกับเขาเราควรจะแสดงความเป็นมิตรกันด้วยการให้ความสุขกับเขาคนเรามักจะมีความสุขเวลาใครยิ้มให้เรามีมีอะไรมีของของมาแจกมาฝากอะไรอย่างนี้เป็นต้นมีอะไรแบ่งปันกันได้ก็แบ่งปันกันไปช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไป ให้อภัยได้ก็ให้อภัยกันไปอันนี้คือวิธีการแผ่เมตตาแล้วคนแผ่เมตตก็จะมีความสุขคนที่รับความแผ่เมตตาก็จะมีความสุขมีประโยชน์แต่ต้องรู้จักเวลาเท่า น, นันเองเวลาที่ไม่ควรจะไปแผ่ก็ต้องเฉยๆไปใช้อุบเบกขาไปถ้าเขาไม่อยู่ในฐานะที่จะรับความแผ่เมตตาของเราได้เราก็ต้องเฉยๆไปหมดแล้วเหลอ